การเกิดความโลภโกรธหลงอกุศลเกิดบ่อยอกุศลมีโลภโกรธหลงหลงเกิดบ่อยที่สุดเพราะหลงเกิดเดียวๆก็ได้เช่นนั่งใจลอยไปไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกว่าหลงหรือคิดโน้นคิดนี่ไปเรียกว่าหลงส่วนความโลภความโกรธมันเกิดตามหลังความหลงมาอีกทีความโลภกับความโกรธจะไม่เกิดเดียวๆต้องเกิดร่วมกับความหลงเสมอ ฉะนั้นเวลามีความโลภขณะนั้นต้องมีความหลงด้วยเวลามีความโกรธขณะนั้นต้องหลงด้วยความโลภกับความโกรธไม่เกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกันไม่ได้ความโลภเกิดพร้อมกับความหลงความโกรธเกิดพร้อมกับความหลงส่วนความหลงเกิดเดี่ยวๆได้เพราะฉะนั้นความหลงมีมากที่สุดหลงมีหกแบบหลงไปทางตาหลงดูหลงไปทางหูหลงไปฟังเวลาเราไปดูอะไรเราก็ลืมตัวเอง เวลาเราไปฟังอะไรเราก็ลืมตัวเองเวลาเราได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทางกายเราก็จะลืมตัวเองเช่นยุงมากัดเราเราก็มโหเห็นแต่ยุงลืมกายลืมใจว่าเรากําลังโกรธยุงคือเราลืมตัวเองฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์เราลืมตัวเองนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจมีกายเหมือนไม่มีมีใจเหมือนไม่มีเรียกว่าหลงหลงคิดเกิดบ่อยที่สุด เพราะหลงคิดหลงได้เป็นวันวันหลงดูหลงฟังและอื่นๆก็คือหลงทางใจแท้จริงแล้วตรงที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสไม่มีกุศลอกุศลอะไรหรอกมันทำงานอัตโนมัติไปเอง จิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าจิตไปดูโดยอุบัติเหตุมีความประหลาดดีนะเรียกว่าเกิดโดยอุบัติเหตุคือเกิดขึ้นไปอย่างนั้นแหละไม่ได้เกิดเพราะมีราคะโทสะโมหะหรือกุศลใดๆผลักดัน